หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่ว่อเกิดมาไดไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาใ่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับสือบริสาสนาะ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 วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะพระอรุถธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารหือกันบะนี้เอ๊ะนี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดา ซ, ซึ่งเป็นพระญาต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 ความรู้เกี่ยวกับกับการทํานาทําสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทํานาสมัยนั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทํานากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทํานาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทํานานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็หว่าน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปากดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุท่าได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวานี่โอ้แมมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก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 อรูธาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมันดาก็หาอุบายพูดถ้าหาว่าแกจะบวชจริงๆน่ะก็ให้ไปชักชวนเอ า, เอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวช ด, ด้วยกันหรือไแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อรูธาก็เลยไปหาเพื่อน เพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่ยมันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะวางั้นราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด, ด้วยกันกับเราเถิดพัทธิยะกุ ม, มารก็ไม่ขัดมันนี้เอาบวชก็บวชนะเนี่ยก็เลยไปบวช ด, ด้วยกันสองสหาหต พัทยาเนี่ยเป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนซักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชาสมบัติไปบวชได้เลยออย่างนี้แหละพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เท่าไม่ถอย ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั่นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุกหนอสุกหนอว่าไงพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บนอมจวัสุุหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจนึกถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัติยะมาะองค็ลกท ร, รงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานอมจวัสุก ห, หนอสุขหนอนั้น ด้วยเหตุผลกลใดพระพัทธิยะก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งอุทานออมาว่าสุกหนอถุก ห, หนอนี่ไม่ใช่ปรารบราชสมบัติพระสถานอะไรอ่เหมือนนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่นู้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร แวดล้อมอยู่ภาคนั้นนะมันก็ยังไม่ไว้ที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้บัดนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วอ น, นี่มาเจริญสมถาวิปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยรว่างั้น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 อืพระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงนแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริ ส, สุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้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 ออามเป็นเง้นสุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องข้าวของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองข้าวของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้นะที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตรคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนเนใถ้าพึ่งพิจารณากันให้ดีอ่มามันนี้ท่านผู้ทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่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 ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคฤหัตได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัตปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นะักบวชกระรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหน้าโวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้กตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงสิขาบทวิ น, นัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นทีนี้เมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดี มีสินบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยออการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองอสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูก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 อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นๆหละมาเจริญนี่เช่นย่ญญางว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเร่งอยากได้สมบัติผูฝื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่าก็มานึกถึงสันตติธรรมพระาศราสาดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุฐีปรามังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอาท่า พอพุทธภาเศาะขอนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ mm hmm. ตนสแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยกว่าดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้่อยเนื่อต่ำใจกับความร่ารวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยเอ่ถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทําบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียตรติของความเป็นมนุษย์เออมีอวัยสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้อ่มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสรรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก, ก็ครอบงาจิตใจไม่ได้เออาอย่างนี้แหละ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 ทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มอีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุทสุดโทรมได้ไม่มีเลยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมด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 นี่ถ้าหาว่ามาดําริตรีทองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยวันนี้นี่ก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลามันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้อนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาวา ง, งไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยเย็บคลายใ น, ในใจอย่างอย่างที่แนะนํามานี่แหละ กิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ทงเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี i นะแน่แ น, เน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้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 มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปในจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้วแบบนี้น ะ, ะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกขืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้่ะน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา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 เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไว้เหมือนแต่เดิมแล้ว อ, อจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะ อ, อื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 เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมัน น, ะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดารงจัดว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย ออมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนวัดสาคัญนะมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของกิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้อืม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 อย่าไปนึกว่าอืมเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครือขัสก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจั ย, ยเพื่ออให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นนะเราคงไม่มีหวังจะได้มักได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือ ว, ว่าพูดอย่างนี้นะ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 เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณจะทำอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองเลยวะเนี่ยมันนักรู้ว่า ก, กิเลสมันเบาบางไว้จากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยวะนีะ่เป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้พากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่น้อมนึกถึงคุณพระรัตนไกรเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนอื่นทั้งหมดเลยละเพราะเรา ปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนกรายเป็นพี่พึ่งทุกคนแหละสำหรับคนไทยนีย่เกือบเก้าสิบ้าเอร์เซ็นตน่ะที่เป็นชาวพุทธนี่เพราะนั้นเมื่อเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในใจเขารบนับถือคุณพระรัตนกรยเป็นพี่พึ่งเช่นนี้แล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงสมกับว่าเรานับถือไม่ใช่เยพาจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนับถือคุณพระรัตนากรายนั้นไม่ใช่ให้แต่นับถือตั้งแต่ใจเฉยๆทรงสั่งสอนให้ลงมือกระทา ลงมือกระทาตามพระธรรมเพราะพระธรรมนี่เป็นคุณสําหรับกําจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจา ก, กจิตใจของคนเราไม่ใช่ว่าเราเรียนพระธรรมรู้พระธรรมไหวเฉยๆแล้วกิเลสไม่เบาบางเหือดแห้งไปสักหน่อยอย่างนี้ มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการฟังธรรมการเรียนธรรมการจําคําสอนของพระเจ้าได้เมื่อจําคําสอนของพระเจ้าได้แล้วก็ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่มากมายอย่างนี้นะยังไม่ทําให้กิเลสเหล่านี้เบาบางจากกิจใจไปเลยอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้ผลนะการนับถือพระรัตนกรัยนะไม่ได้ผล ขอให้เข้าใจการ น, นับถือที่จะได้ผลแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ว่าใครๆทั้งหมดเลยตลอดถึงเทวดาอินคมยมยักษ์อะไรผู้มีความเลื่อมใสในคุณพระตรนักลแล้วท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั่นนียเพราะว่าท่าน ที่จะได้ตัสรู้เป็นผู้เทเจ้าก็เพราะว่าท่านปฏิบัติพระธรรมแม้ผู้ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือบรรลุพระผลธรรมวิเศษตามพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมนี่พระธรรมคือข้อปฏิบัติต่งตางๆนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบ ก่อนคนอื่นใดทั้งหมดให้เข้าใจแต่ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดนคนในประเทศอินเดียครั้งนั้นพากันแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลนะแสวงหาทางพ้นทุกข์กันอยู่มากมายทีเดียวแอืะเมื่อเข้าที่ประชุมชุมนุมกันแล้ววันนี้ก็มีผู้ตั้งกระทู้ถามว่า อาใครว่าสิ่งใดเป็นมงคล อ, อย่างนี้บางคนก็เสนอออกมาว่าตาแลเป็นมงคลเพราะว่าตานี่พอตื่นนอนขึ้นมาออกมาแล้วมองดูอะไรเห็นได้ชัดเจนเลยเพียวเห็นของสวยๆงามงาม